พุทธการนิกายอุทานต่อนะมาขึ้นนันทะสูตรสูตรที่กล่าวถึงเรื่องของพระนันทะพระนันทะนั้นชื่อว่าเป็นน้องต่างมารดากับพระผู้มีพระภาคพ่อเดียวกันแต่คนละแม่คือพระเจ้าสุธโธธนะเนี่ยนะเขามีการพยากรณ์ว่าพระนางสิริมห า, มายากับพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยทั้งคู่มีลูกจะเป็นจักรพรรด ทั้งคู่เนี่ยถ้ามีลูกลูกชายจะเป็นจักรพรรดิถ้ามีลูกสาวลูกสาวก็เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าสุโธทนะก็เลยเอามาครองหมดเลยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพนันทะพระพาดาคือน้องของพระผู้มีพระภาคเจ้า โอรสของพระนานางได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ผมไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ได้ผมจะบอกคืนศิกขาลาเพศเนี่ยนะเรียกว่าบอกคืนศิกขาขอลากลับมาเป็นคนเลว ขณะพิสูรรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระนางได้ได้บอกแก่พิสูรเป็นอันมากอย่างนี้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ผมไม่สามารถจะส่งพรหมจรรันทร์ผมจะบอกคืนศิกขาลาเพศลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกภิกษุรูปหนึ่งว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกนันทะภิกษุตามคําของเราว่าดูก่อนนันทะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านพระภิกษุรูปนั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาพระนันทะถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระนัน t ะว่าดูก่อนนันทะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านพระนัน t ะก็รับคำของภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระนัน t ะว่าดูก่อนนันทะได้ยินว่าเธอบอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ ผมไม่สามารถจะส่งพรหมจรรย์ผมบอกคืนสิกขาลาเพศคำพูดที่พูดเนี่ยจริงหรือรนันทะก็รับตามเป็นจริงว่าพระเจ้าข้าจริงพระองค์ก็ถามมาดูก่อนนันทะท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์จะไม่สามารถส่งพรหมจรรย์ไว้ได้จะบอกคืนสิกขาลาเพศเพราะเหตุอะไรเล่าสาเหตุนะนะมันก็ต้องมีสาเหตุไนงะทำไมจึงต้องลาสิกขาละ่ะ ท่านพันันทาก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนวันออกบวชนะนะวันออกบวชนางสากิยานีผู้ชนบทกาลยานีมีผมอันสางไว้กึ่งหนึ่งแลดูแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จกลับมาก็บอกว่าคำสั่งเสียบอกกลับมาไวๆนะ กลับมาเร็วๆนะคำนี้มันก้องหูอยู่ในใจตลอดข้าพระองค์นี่ระลึกถึงคำของนางนั้นจึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จากบอกคืนศิขาลาเพศครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับแขนท่านพนันทะนะจับท่านพนันทะที่แขนแล้วก็หายจากพระเชตวันไปปรากฏในเหล่าเทวดาชั้นดาวเดืงเหมือนบุรุษมีกาลัง พึงเหยียดแขนที่คูหรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้นสมัยนั้นแลนางอับสรประมาณห้าร้อยมีเท้าดุดนกพิราบมาสู่ที่บำรุงของเท้าส ก, กะจอมเทพเทวดาชุดไหนชุดจะไปใส่บาทให้พระมกพระมหากระสปะนั่นแหละครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระ น, านันทะว่าดูก่อน น, นันทะเธอเห็นนางอับสอห้าร้อยเหล่านี้ผู้มีเท้าดุดนกพิราบหรือไม่ ท่านพนันท้าถูรับว่าเห็นพระเจ้าค่าพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนนันทะเธอจะสําคัญความข้อ น, นั้นเป็นไงน น, นางสากิยานีผู้ชนบทกาลยาณีหรือนางอักษรประมาณ500รยเหล่านี้ซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบไหนหนอมีรูปงามกว่าน่าดูกว่าหรือน่าเลื่อมใสกว่านนะวัดความสวยกันระหว่างเทวดากับมนุษย์ใครสวยกว่ากัน ก็คือนางสากยานีชนบทกาลยานีก็ในหมู่มนุษย์ถือว่างามรองเฉพาะพระนางพิมพาเท่า น, นั้นเองเนี่ยนะพนันทาก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิงกาตัถาวนางลิงหลุ่นเนี่ยนะตัวมีอวัยวะน้อยใหญ่ถูกไฟไหม้หูก็ขาดจมูกก็ด้วนเนี่ยนะฉันใดนางสากยานีผู้ชนบทกาลยานีก็ฉันนั้น แ, แลเมื่อเทียบกับนางอับสอนประมาณ5้าร้อเหล่านี้ย่อมไม่เข้าถึง เพียงหนึ่งเซี่ยวไม่เข้าถึงเพียงส่วนหนึ่งเซี่ยวไม่เข้าถึงเพียงการเอาเข้าไปเปรียบว่าหญิงนี้เป็นเช่นนี้เอ่อเป็นเช่นนั้นที่แท้นางอับสอนประมาณ500รอเหล่านี้มีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเลื่อมใสกว่าพระเจ้าค้ายินดีเถิดนันทะอภิรมแปลว่ายินดียิ่งเถิดนันทะออยินดี้วยนะยินดีย่างยิ่งเลยนะ เราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อให้ได้นางฟ้า500รอนี้ที่มีเท้าดุดนกพิราบถ้าเธอบวชอยู่จนตายนะเธอจะได้นางฟ้าห้าร้อยนั้นปานันทะก็รีบรีบเลยนะบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางอัปสรประมาณ500้อที่มีเท้าดุดนกพิราบนิสัยข้าพระองค์จักยินดีประพฤติพรหมจรรย์พระเจ้าข้าโอรับทันทีเลยนะรีบรีบรีบรับข้อเสนอนี้เลย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จับพระนันทาที่แขนแล้วก็ทรงหายจากเทวดาชั้นดาวดึงไปปรากฏที่พระวิหารเฉตะวันเหมือนบุรุษมีกาลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้นภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระมาตุชาประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับซอนอสมัยนั้นก็ถือว่า เรื่องนี้นะเสียหายที่สุดเลยนะในหมู่พระพิสูดด้วยกันถือเป็นเรื่องที่เขาคกรธหามากถ้าใครบวชเพราะเหตุแห่งนางอับสรเ น, นี่ยนะมันก็เลยเอาเรื่องนี้แหละมามาเป็นเรื่องที่จะเอาไว้ดูถูกกันนะเอาไว้เยียดหยามเพราะว่าพนันธาเนี่ยมานะมากมันถ้าหากว่าถูกดูหมิ่นซะหน่อยเนี่ยนะแล้วจะจะตัดชันธราคาได้เพ ร, ะพระนาะะฉนั้นธาะนี่ยประพฤติพรหมจารยเพราะเหตุแห่งนางอับสรได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้รับรองท่านเพื่อให้ได้นางอักษรประมาณห้าร้อซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบก็ลักษณะว่าพระนันธานี่รับจ้างบวชนะรับจ้างบวชเพื่อให้ได้นางฟ้า500้อพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองให้เป็นนายประกันให้นะเสร็จแล้วก็ข่าวนี้ดังมากเลยนะสมัยนั้นนะข่าวดังก็คือพระนันธานบวชเพื่อนางฟ้า เรื่องราวเป็นมาอย่างไรที่บอกว่าพระนันทะเนี่ยนะพระเทระที่ชื่อว่านันทะเพราะพระมารดาพระบิดาบริวารชนเครือญาติทั้งสิ้นเกิดความยินดีเพราะท่านประกอบด้วยลักษณะแห่งพระเจ้าจักรพรรดิสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนที่มีองค์คุณมีลักษณะสามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีอยู่สามท่านคนที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าคนที่สองพระนันทะคนที่สามคือพระราหุลเนี่ยนะมีสามท่านที่มี อ, องค์ประกอบมีคุณสมบัติเป็นจักรพรร ด, ดิได้ท่านนั้นเป็นพระพาดาคือเป็นโอรสร่วมบิดาเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไม่สามารถจะรวมคันเดียวกันได้เพราะว่าพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องมีบุตรแต่เพียงผู้เดียวพระนันธานี i เป็นโอรสของพระนางนางพนามว่าปชาบาดีโคตมี พนันทานี่หลังจากบวชก็ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็คือประพฤติเหมือนพรหมอ่ะนะพรหมก็คือประพฤติที่ประเสริฐสูงสุดนั่งที่นั่งอันเดียวนอนที่นอนอันเดียวเว้นจากเมถุนธรรมบทว่าสันตานีตุงได้แก่เพื่อยังเพื่อจะยังจิต ด, ดวงแรกจนถึงดวงสุดท้ายให้ดำเนินไปคือให้เป็นไปโดยชอบให้บริบูรณ์ก็ข้อนี้พึงทราบสังหะคือการสงเคราะห์มรรคพรหมจันทร์ด้วยพรหมจันทร์บทที่สอง บทว่าปัดสิก ข, ขงปัจจัคายะที่ที่เราเรียกว่าลาสิกขาเนี่ยนะก็คือสละอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาที่สมาทานพร้อมกับพิกุภภาวะคือการที่พระอาจารย์สวดกรรมวาจาจบเนี่ยนะถือว่าตรงนั้นน่ยคือการสมาทานประพฤติสิกขาสาม mm hmm. ในเวลาอุปสมบทไม่ตั้งขึ้นโดยภาวะที่ควรจะบังเกิด คือพอบวชเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่คิดจะประพฤติศิกษาอีกแล้วคิดจะถอนอธิศีลสิึกษาอธิ จ, จิตศิกษาอาธิปัญญาศิกษาบอกว่าไม่เจริญแล้วอะโลภาไปเจริญโลภาดีกว่าเลิกเจริญแล้วอะโทสะไปประพฤติโทสะนะเลิกเจริญอโมหะไปเจริญโมหะแทนนะนะั่นแหะเพราะศึกษาสามก็คืออะโลพาอโทสะและอะโมหะนั่นเองก็ปรารถนาจะเวียนมาเพื่อความเป็นคารวาน เรื่องราวของพนันธะเป็นไปมาอย่างไรก็กล่าวถึงพุทธประวัตินิดหน่อยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอันบรวรประกาศที่เมืองไหนเมืองพาราสีนะตาอิสิป ต, ตนามรกขไทยวันหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปโปรโดใครโปรโดชดินสามพี่น้องพร้อมบริวารนะหลังจากนั้นพร้อมด้วยพระภิกษุชดินสามพี่น้องเสด็จเข้าไปในกรง ราช จ, จะครึกไปแสดงธรรมให้แก่พุทธบริษัทฟังนนก็หลังจากมีการแสดงโอวาทปาติโมก็ปีนั้นนะนะพระองค์ก็ประทับอยู่ที่พระเวโรวันอันพระกาลุทายิเถระผู้ไปภายหลังเขาทั้งหมดบรรดาทูตสิบคนที่มีบริวารโคลพันที่พระเจ้าสุดโททนะมหาราชส่งไปด้วยพระดำรัดว่าท่านจงนำบุตรมาแสดงแก่เราบรรลุพระอระหันต์พร้อมด้วยบริวาร บรรลุพระอรหันต์แล้วก็รู้การเสด็จไปของพระองค์ได้พัฒ น, นาหนทางแล้วทูลอาราธนาเพื่อไปยังพระชาติตูพูมคือหลังจากที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมจักรที่เมืองพารณสีพระองค์ก็เสด็จมาที่เมืองราชครึกอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองราชครึกเนี่ยนะข่าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกขั้นตอนเนี่ยจะจะมี จะรู้ถึงพระเจ้าสุดโทธนะตลอดสายพระเจ้าสุดโทธนะรู้รู้ประวัติของของอพระโอรสเป็นอย่างดีทีนี้ตัวเองก็มานึกในใจว่าเรานี่แก่มากแล้วเรานี่แก่แล้วกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าลูกก็เลยส่งอมาตหนึ่งหนึ่งท่านพร้อมกับบริวารพันหนึ่งบอกให้ท่านไปไปเชิญลูกเรากลับมาเถอะเราอยากเห็นหน้าลูกเราแก่แล้วนี่ก็ลูกชายอมาตพร้อมทั้ง ท, งทหารก็ไป ไปถึงก็พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ไปยืนท้ายบริษัทฟังธรรมบรรลุเป็นะ้าหันหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เลยประทานเอหิพิคุอุปสมปทาก็อาราธนาไม่ละเพราะถือว่าถ้าเป็นผ้าหันไม่ใช่ทูตของใครชุดที่สองก็ส่งไปอีกหนึ่งท่านกับอมสาพันคนชุดที่สามที่สี่ที่ห้าที่หที่เจ็ดที่แปดที่เกหมดไปทหารหมดทหารไป9ันและอมสาหมดไปเก้าแล้ว ทีนี้ครั้งนี้เนี่ยทหารจะหมดวังไปแล้วนะกองทัพใหญ่เป็นกันนะส่งไปเกือบหมื่นแล้วเนี่ยทีนี้พออีกก็คิดหาอมาดเหลือใครเหลือการลุทายิอมาดการลุทายิอมาดนั้นถือว่าเป็นพระสหายเล่นฝุ่นกับพระโพธิสัตว์นะเป็นเพื่อนรักกันนะเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็จะเอาการลุทายิอมาดนี่แหละไปพร้อมกับทหารอีกพันหนึ่งก็เลยเรียกมาว่าสามารถทํากิจอันนี้ให้ได้ไหม บอกถ้าพระองค์อนุญาตให้ข้าพระองค์บวชก็ได้ก็บอกเธอจะบวชหรือเธอไม่บวชก็ตามใจเธอเธอแต่ว่ายังไงก็ต้องเชิญลูกเรามาให้ได้ก็แล้วกันการุธายิอมาตก็รับคำมันนะก็พร้อมกับอามาตพันคนก็ไปทหารพันท่านก็ไปฟังธรรมบรรลุเป็นทารหันจนถึงประมาณฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะใบไม้ผลิ ต้นไม้ออกดอกบานสพรั่งเริ่มออกดอกใบไม้เขียวอ่อนอะไรเต็มเต็มต้นไปหมดบรรยากาศถนนหนทางร่มเรื่นก็เลยสรรเสริญหนทางเพื่อกลับเมืองกบิลพัทให้แ ด, ด่พระผู้มีพระภาคฟังแล้วก็อาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเสด็จไปส่งครห์พระพุทธบิดาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระขี่พระอรหันต์ขีนาศพสองมืรูปสองหมื่นรูปนั้น หมื่นรูปก็มาจากเมืองกบิลพัทไงที่เป็นพระหรันหมื่นรูปมาจากกบิลพัทเอกหมื่นรูปก็ชาวอังคะกับชาวมาคตออกบทนะมีภาษาริบดเป็นต้นบทก็บรรลุเป็นพระหันนะนะก็พระรหันสอง 0,000 นรูปเสด็จไปจนถึงเมืองกบิลพัทพอไปถึงเมืองกบิลพัทเนี่ยก็มาปรึกษากันว่าเราจะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพี่สุสง์เนี่ยพักที่ไหนก็เลยปรึกษาไปมาก็บอกว่าที่สวนของเจ้านิโครด สวนของเจ้านิคโครธเนี่ยดทีที่เรียกว่าสร้างวัดนิคโครธาราม น, นะก็คือวัดที่มีต้นไทรสวนไทร น, นะเป็นสวนไทรที่ร่มรื่นก็เลยที่นั่นทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปถึงก็มีการรับรับเสด็จทีนี้รับเสด็จนั้นพวกญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าใครที่มีอายุเกิน36เนี่ยนะให้ให้ไปอยู่ข้างหลังให้หมดเลย ไอ้พวกอายุน้อยมาอยู่ข้างหน้าจะได้กราบได้พวกอายุมากเขาจะไม่ไหว้พระพุทธเจ้าด้วยอํานาจมานะกษัตริย์เนี่ยนะมานะพี่ไหว้น้องไม่ได้เขาบอกว่าในบรรดาตระกูลที่ยิ่งที่สุดเนี่ยไม่มีเกินตระกูลศักยะอีกแล้วสุดยอดที่เรียกว่ามานะเนี่ยนะยิ่งที่สุดยิ่งถึงขนาดว่ากษัตริย์มาขอลูกให้ให้ทาตไปให้ลูกธาตไปเนี่ยนะไมนะนะนะ่เอาใ ห, ให้ลูกตัวเองเหรอกนะมานะมากกลัวจะอะไรนะ คือเขารักษาวงประเพณีของเขามากเขากลัวจะอะไรเปื้อนแปดเปื้อ น, อ น, อนวงของเขาอะนะเสร็จ <c oughs> แล้วพวกญาติทั้งหลายก็มาไหว้ทีนี้พระองค์ก็เห็นแล้วว่าพวกสากยะที่มีอายุมากๆเนี่ยเป็นพระเจ้าอาพระเจ้าพระเจ้าอาพระเจ้าลุงพระเจ้าปู่ทั้งหลายเลยเนะี่ยมานะมากไม่ยอมยกมือไหว้เป็นต้นพระองค์ก็เลยเหาะนะแสดงยมกะปาฏิหาร แสดงยมะกะปาฏิหาริณนะ์เนรมิตรรัตนะจงกรมระหว่างนั้นพระองค์ก็แสดงจริยาปิดกแสดงพุทธวงศนะ์แสดงคัมภีสองคัมภีรเนี่ยตรงนั้นจริยาปิดกกับพุทธวงศ์เสร็จแล้วระหว่างที่พระองค์เสด็จลงมาเนี่ยนะลงจากที่รัตนะจงกรมฝนก็ตกลงมาฝนบกกระพัก็ตกลงมาฝนบกกระพัดเนี่ยแปลกว่าผู้ใดอยากให้เปียกก็เปียกผู้ใดไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกในพวก ก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นนะว่าเออฝนนี่แปลกนะเป็นฝนที่อัศจรรย์มากพระพุทธเจ้าก็บอกแม้แต่ฝนแบบนี้ก็เคยตกแล้วในสมาคมของญาติในอดีตก็ถามว่าเรื่องไปยังไงผมก็แสดงมหาเวสสันดรชาดกก็แสดงพระเวสสันดรชาดกวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุดโทธนะเออันนั้นอะ่ะไม่มีใครนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอะไรพระเจ้าสุดโทนะก็คิดว่าลูกเราจะไปไหนก็ต้องไปฉันที่บ้านสิ พระพุทธเจ้าก็เลยปรารบถึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยตอนต้นที่กลับมาที่เมืองพระราชบิดาเนี่ยพระองค์ทําอย่างไรกันเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องถื อ, อเดินบิณฑบาตถือว่าเป็นประเพณีเป็นพุทธวงศ์ทีนี้พรงค์ก็พร้อมด้วยพิษสุส่์บิณฑบาต พนางพิมพาเนี่ยใจจดใจจ่อดูว่าเมื่อไ ร, พรพ่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแอ บ, บดูพอเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงบินทบาทมาเนี่ยบอกให้คนไปบอกพระราชาว่าเนี่ยตอนเนี้ยพระลูกเจ้าเนี่ยเดินบินทบาทอยู่พระเจ้าสุดโทธนะนี่เครียดมากนะบอกนี่ไม่ใช่วงของพ่อนะเขาว่าไวงของพ่อเขาไม่ทําอย่างนี้หรอกอ่าก็บอกอะไรนะพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นวงเนี่ยนะนี่เป็นวงของอาตมาภาพบอกไม่ใช่ ต ก, กูลกษัตริย์เราเนี่ยไม่เคยขอทานแบบนี้ไม่เคยขอแบบนี้หรอกก็บอกกันนั่นวงของมหาบาพิษวนวงของอาตมาเป็นพุทธวงศ์เนี่ยนะผมก็ห ล, งลังจากนั้นผมก็แสดงธรรมพระเจ้าสุดโทธนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน <c oughs> ที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลไม่พึงประมาทในก้อนข้าวที่บุคคลพึงลุกรับเป็นต้นเนี่ยนะหลังจากนั้นเข้าไปในพระราชนิเวศ พระองค์ก็แสดงธรรมให้พระนางประชาบาดีโคตมีบรรลุเป็นพระโสดาบันพระราชาก็บรรลุเป็นพระสกะทาคามี น, นะด้วยพระคาว่าท ร, ร ม, มันเจรเิฮ น, นะบุคคลพึงอประพฤติให้เป็นธรรมเป็นต้นหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วอาศัยการพันานาพระคุณของพระราหุลมารดาคือแม่ของพระราหุลตรัสจันทกิ น, นรีชาดกคือวันนั้นเนี่ยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้า ฉันเสร็จองก็กลับไปที่นิโครทารามพระนางพิมพาเนี่ยไม่ได้มาไหวอะไรหรอกเสร็จแล้ววันหลังนั้นอีกก็นิมนต์ไปฉันที่ที่วังของพระเจ้าสุโธทนะอีกพระนางราหุลก็เออแม่ของพระราหุลเนี่ยนะก็คือพระเจ้าสุโธทนะก็ให้ไปเชิญมาไหว้พระพุทธเจ้านางก็บอกว่าถ้าคุณความดีของเราพึงมีอยู่บ้างถ้าลูกเจ้าก็จะเสด็จมาถ้าเราไม่มีคุณความดีก็ขอตายอยู่ที่นี่แหละ นะไม่ออกไปหลังจากนั้นพระองค์ก็พร้อมกับพระ พ, พระโมคคารนะพระสารีบุตรเนี่ยเสด็จไปเสด็จเข้าไปเข้าไปที่ตำหนักของมารดาพระราหุล น, น่ยนะเสร็จแล้วก็ไปถึงพระเจ้าสุโธธนะก็ไปด้วยนางก็มาซบเท้าร้องให้กลิ้งเปลือกอยู่ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วพระเจ้าสุโธธนะก็เล่าถึงความดีของลูกสะพ้ยให้ฟังนะนะว่าพระนางพิมพาเนี่ยดีอย่างไรได้ข่าวว่าพระโพธิสัตว์ ทรมานพระวรกายอย่างใดานางก็เอาตามสัส่วนใหญ่เนี่ยนะก็คือปฏิบัติตามเสร็จแล้วก็กล่าวถึงความพักดีของพระนางที่มีต่ อ, อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นแม้อดีตนางก็เป็นอย่างนี้แหละพระองค์ก็แสดงจันทากินรีชาดกจําไม่ได้ว่าเป็นบรรลุหรือเปล่าไม่ทราบแต่ตอนหลังนางก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะพระนางพิมพาเนี่ยเป็นเอตทัคคะมหาอภิน ญ, ญาใหญ่ เป็นผู้ที่ระลึกชาติได้มากที่สุดในบรรดาหมู่พิกษุนีทั้งหลายนะเพราะว่านางก็ทำบุญมาบรรดาคนที่ทำบุญมาเยอะเนี่ยนะก็คือพนางพิมพาเนี่ยทำบุญมาสี่อสงไขยแสนกับเหมือนกันทำบุญมาเยอะมากเป็นสี่อสงไขยก็คนที่ให้ดอกบัวสุเมศบัณดิตเป็นพุทธบูชาแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยเขาจะบอกแต่ว่าใ น, ในพุทธวงศ์ทั่วไปไม่ได้บอกเอาไว้ ว่าเห็น เ, เห็นฤาษีเนี่ยจะมาทําพุทธบูชานางก็ถือดอกบัวมา8ดอกอะไรเนี่ยนะก็ให้พระโพธิสัตว์5ดอกตัวเองไว้3ดอกก็ทําบุญร่วมกันแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปด้วยกันนั่นแหละก็กทําบุญมาแต่ทั่วๆไปก็จะกล่าวแค่แสนกับสมัยที่นางตั้งความปรารถนาให้มีอภิน ญ, ญาใหญ่นี่นะก็เป็นเอตทัคคะเลิศในทางอภิน ญ, ญามากก็คือเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากพระนางนี้สิ้นพระชนก่อนพระผู้มีพระภาค นางเส้นพระชนตอนอายุประมาณ70็สกว่าเนี่ยนะจสเศษทีนี้พูดถึงหลังจากนั้นอ่ะนะย้อนกลับมาหานี่ต่อว่าเมื่อวันวิวาหะมงคลซึ่งเป็นที่เชิญเข้าเรือนเพื่ออภิเษกนันท ก, กุมารก็เขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันงานมงคลสมรสบางันเธออภิเศกมงคลระหว่างพระนันทากับนางสากิยานีชนบทกาลยาณีเนี่ยก็ พ, พี่น้องกันนั่นแหละก็จะให้แต่งงานกัน ก็เสร็จพระองค์ก็เข้าไปบิณฑบาตก็พอฉันเสร็จแสดงธรรมจบก็ลุกขึ้นใช่ไหมพนันทะก็ต้องตามมัญยากก็ต้องมาส่งเสด็จพระพุทธเจ้าระหว่างมาส่งเสด็จพระองค์ก็ยื่นบาตรให้พนันทานะแล้วก็ตรัสมงคลลุกจากอาสนะหลีกไปพนันทาก็รับบาตรจากพระหัดเอ่อพระองค์ก็ไม่รับบาตรจากพระหัดของพนันทากพนันทะก็ต้องถือบาตรนะน่ะ ด้วยความเคารพในพระตถาคตไม่บอกไม่สามารถถวายบาตรคืนได้พระพุทธเจ้าเสด็จก็ต้องอุ้มบาตรตามเนี่ยนะเกรงใจมากโอ๊ยไม่เกรงใจได้ยังไงใช่ไหมเพิ่งเหาะไปเมื่อวานเป็นต้นเนี่ยนะเอาให้เห็นพริตทั้งหลายแสดงเป็นต้นเนี่ยกลัวมากทีนี้พระองค์ก็เสด็จกลับมาเรื่อยๆพระนันธาก็ต้องอุ้มบาตรเนี่ยนะงานแต่งยังไม่ยังไม่เรียบร้อยดีเลยก็อุ้มบาตรตามพระพุทธเจ้าไปก็คิดว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพระองค์จะรับบาตรคืนที่หัวบันไดนี่แหละ ไปเดินไปถึงหัวบันไดลงพระองค์ก็ไม่รับก็คิดต่อไปว่ารับที่เชิงบันไดก็ไม่รับอีกก็คิดว่าไปถึงพระลานหลวงถึงสนามหลวงพระองค์ก็รับคืนก็ไม่รับใจเนี่ยอยากจะกลับอย่างเดียวนะไม่เต็มใจจะติดตามพระพุทธเจ้าไปเลยนะแต่ด้วยความเคารพก็ไม่สามารถจะพูดคําว่าขอพระองค์ทรงรับบาตรเถอดเดินนิ่กว่าเดี๋ยวพระองค์ก็รับเดี๋ยวพระองค์ก็รับถึงตรงนั้นพระองค์จะรับบาตรคืนถึงตรงนั้นพระองค์จะรับบาตรคืน ขณะนั้นพวกหญิงอื่นคือบริวารเนี่ยก็กลับไปบอกนางชนบทกาลยานีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทากุมารเสด็จไปแล้วคงจักพรากนันทกุมารจากพระแม่เจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามาพรากไปแล้วพระเจ้าข่าวัน้นนางชนบทกาลยานีนั้นก็มีหยาดน้าําตายังไหลอยู่เนี่ยนะน้ำตาในฟังปั๊บไหลเลยอ่ะ น, นะบวชแน่นันมีผมเนี่ยกล้าได้เก่งนึ่งนะสางยังได้ครึ่งเดียวเองนะยังแต่งตัวไม่เสร็จเลย ก็รีบขึ้นสู่ปร า, าสาทยืนอยู่ที่ทวารแห่งสีหาบัญชรริมหน้าต่างทูลว่าพระลูกเจ้าขอจงด่วนเสด็จกลับนะกลับมาไวๆนะอย่างเงี้ยคำนั้นของนางประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหะไทยของนันทกุมารศีล ส, สมาธิปัญญาคำสอนพระพุทธเจ้าจำไม่ได้เลยจำได้แต่คำนี้แหละสิกขาสามก็นึกไม่ออกนะนึกได้แต่คำนี้แม้ภษาสดาก็ไม่รับบาดจากพระหัตของพนันทกุมาร นันทกุมาเนี่ยไปจนถึงวิหารวิหารก็คือนิคโครทารามอ่ะนะนันทะเธออยากบวชไหมปฏิเสธก็ไม่ได้นันทานั้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ไม่สามารถจะพูดว่าไม่บวชทูลรับว่าพระเจ้าข่ามั้นจักบวชเอาบวชก็บวชพระองค์ก็เลยให้พระนันท่าบวชนะมันวันที่สามพระนันทาก็บวชทีนี้พอถึงวันที่เจ็ดนะพอวันที่เจ็ดนี้พระ พระมารดาพระราหุลเนี่ยก็ตกแต่งพระราหุลให้เรียบร้อยแต่งตัวให้ราชโอรสเรียบร้อยเนี่ยนะแล้วก็ส่งไปว่านี่ลูก น, น, นะบอกพระราหุลสมบัติของพ่อเจ้านี่เยอะมากเลยนะมหาสมณะที่เดินนําหน้านั่นอะ่ะพ่อเจ้าล่ะสมบัติเยอะมากมีขุมทรัพย์อยู่สี่ขุมตั้งแต่เนี่ยท่านออกบวชนะแม่ไม่เคยเห็นขุมทรัพย์อันนั้นเลยเพราะฉะนั้นไปขอขุมทรัพย์จากจากพ่อเธอะ เพราะว่าเธอจะต่อไปเนี่ลูกจะได้เป็นจักรพรรดิจะได้เอาทรัพย์เหล่านี้มาบริหารประเทศเป็นต้นนั่นพระาหุนนี่ก็เชื่อแม่ก็ลงมาไปเห็นพระพุทธเจ้าลืมคําของแม่มารักเห็นพระพุทธเจ้ารักมากเลยรักก็เดินบอกว่าก็เดินขอทรัพย์ไปเรื่อยใช่ไหมเดินขอทรัพย์ไปเรื่อยๆบอกว่าะขอให้ประทานหม่อมทราบแก่หม่อมชั้นหม่อมชั้นจะได้ครองราชเป็นต้นน่นนะพระองค์ก็คิดว่าเออเราก็ควรจะให้ทรย์ไหนดีนะระวัง ทรัพย์ที่ที่เป็นไปในวัตจักับทรัพย์ที่เป็นไปกับวิวัฏจักองก็มาพิจารณาว่าทรัพย์ที่เป็นวัตจัก็เป็นไปกับชาติชรามรณะโสกกาปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาเพราะฉะนั้นลูกของเรามาขอทรัพย์เราควรให้ทรัพย์ที่เป็นอริยะเน้นสโลคุตระทรัพย์ให้อริยะทรัพย์ก็เลยให้พระเราพระสารีบุตรจะบวชเลยสารีบุตรก็บวชให้พระโมคคัลลานะเป็นอาจารย์เป็นต้นเนก็บวช พอบวชเสร็จนี้พระเจ้าสุดโทธนานี่ก็เสียใจยังไม่หายเลยที่พนันท่าบวชคือพระอะไรนะใจก็อยากอยากจะให้ทีแรกเลยใจเนี่ยอยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระพุทธเจ้าออกบวชก็เสียใจอยู่แล้วใช่ไหพนันท่าบวชอีกใจจริงก็อยากจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอบวชอีกก็เสียใจอีกทีนี้พอได้ข่าวว่าพระาหุนบวชนี่ทําใจไม่ได้เลยในเสด็จไปหาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะว่า แล้วก็ขอพรว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปว่าถ้าพ่อแม่ไ ม, ม่อนุญาตนี่อย่าอย่าให้บวชพระ อ, องค์ก็รับอนะว่าก็เป็นสิกขาบทเลยว่าถ้าพ่อแม่ยังไม่อนุญาตยังไม่ให้บวชนะก็หลายๆคนที่มาของเช่นพระรัฐบาลก็เลยอดข้าวอดข้าวประท้วงเพื่อให้บวชเนี่ยนะจนกว่าพ่อแม่จะอนุญาตวันวันนั้นพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมะธรรมะปาลชาดกให้พระราชาฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระอนาคามี ถ้าบรรลุปเป็นท่าอนนาคามีเนี่ยนะฉันทราคะด้วยอำนาจโลภะก็ไม่มีละแล้วก็โทสะก็ไม่มีพระเจ้าสุดโททนะก็กำจัดการมราคะกำจัดโทสะได้เด็ดขาดพระองค์ก็สเสด็จ น, น ะ, สะเสด็จไปไหนก็กลับไปทางเมืองราชครึกพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พระนางมหาประชาบดีดำรงอยู่ในโสดาปติผลให้พระบิดาดำรงอยู่ในอนาคามีผลแวดล้อมด้วยหมู่พิกษุสเสด็จกลับไปยังกรุงราชครึกอีก ตอนที่พระองค์ปอยู่เมืองราชครึกก็ประทับอยู่ที่ป่าศีตะวันใช่ตอนนั้นอนาถบินธิกะเศรษฐีเข้าไปค้าขายที่เมืองราชครึกนะจากเมืองสาวัตถีไปค้าขายที่เมืองราชครกได้ข่าวว่าก็ถามคือปกตินั้นราชชิกาเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีเมืองราชครกเนี่ยจะต้องต้อนรับอนาถบินธิกะเศรษฐีเป็นอย่างดีแต่วันนั้นเนี่ย คล้ายๆก็ว่าสั่งให้คนมารับเสร็จแล้วก็ออกไปไปมัวแต่ไปสั่งอาหารสั่งอะไรมัวแต่ทํากับข้าวกับปลาอย่างนั้นแหละปกตินี่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนะจะต้องทิ้งงานทั้งหมดแล้วมาคุยกับนาถะแต่ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นก็เลยถามว่าท่านจะเลี้ยงกองทัพพระเจ้าพิมพิสารหรือท่านมีงานแต่งงานมีงานอะไรหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็พอฟังท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือพอฟังก็ปีติมากเลยนะก็เลยอยากจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกพระองค์อยู่นอกเมืองเข้าไปไม่ได้ พอไปก็ใจก็คิดเอ๊ะใจยังไงจะเข้าไปเฝ้าคืนนั้นเนี่ยแกตื่นกลางเคลื่อนๆไปก็นึกว่าสว่างแล้วก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่สามครั้งครั้งที่สามนี่แหละ ก, ก็เทวดาเ ป, ดเปิดประตูเมืองให้แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้บรรลุนะบรรลุเป็นพระโสดาบันมล้ก็ทําบุญเป็นพุทธบูชาอีกหลายวันก็อาราธนานิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าให้ไปสงเคราะห์ทางเมืองสาวัตถีบ้าง มอกว่าตถาคตยินดีในที่สงัดอนาถะก็เข้าใจก็ที่ไปเที่ยวซื้อซื้อสวนนะนะสวนเจ้าเชิดชื่อซื้อเชตวนันนะพระ อ, องค์ก็รับปฏิ ญ, ญาของอนาถบินทิกะหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็เสด็จมาที่เมืองสาวัตถีเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแล้วเพราะทางอนาถบินทิกะกลับมาก็รีบสร้างวัดใหญ่สร้างเสร็จก็พระ อ, องค์ก็ไปรับอนะก็ทาบุญฉลองฉลองอยู่สามเดือนฉลองวัดเนี่ย เรคิดดูนะซื้อที่เท่าไหร่สิบแปดโกดใช่ไหมสร้างที่อยู่อีกสิบแปดโกดค่าอาหารฉลองอีกสิแปดโกดเนี่ยนะฉลองประดับประดาตกแต่งสิบแปดโกดก็ถือว่าหมดมากเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่นั้นด้วยประการเชนี้พระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันพนันทาก็ต้องทนบวชอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วนะเนี่ยใจนี้ไม่พอใจเลยที่จะบวชเพราะใจจริงเนี่ยไม่ได้เห็นโทษในกามอะไรเลย ไม่เคยเห็นโทษของการสแสวงหาการเป็นต้นหัวนระลึกถึงแต่คําของนางชนบทกาลยาณีเกิดความเบื่อหน่ายในไม่ใช่วัตตะนะเบื่อหน่ายในสิกขาสามเบื่อหน่ายอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาใจนี่หัวกลับไปหาตามบอกความไม่ยินดีแก่ยิ่งอย่างยิ่ยงแก่พิสูจทั้งหลายถามว่าเพราะเหตุไรพระพุทธมีพระภาคเจ้าจึงให้พนันทบวชทําไมต้องให้บวชทั้งๆที่คล้ายๆกับฝืนใจเข้าบวชชัดๆเลย ตอบว่าเพราะพระศาสดาเป็นผู้ฉลาดในการฝึกเวนยสัตว์คือสัตว์ที่ฝึกได้ น, นะพระองค์รู้วิธีฝึกด้วยประสงค์ว่าเราจะแสดงโทษก่อนทีเดียวจึงไม่ให้นันทาสงัดจากการมทั้งหลายได้แต่ครั้นให้บวชแล้วจึงให้สาดกรรมนี้จึงยังคุณวิเศษเบื้องบนให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงให้พระนันทานั้นบวชหมายคาอว่าถ้าหากว่าให้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วค่อยเห็นโทษในกรรแลม่ค่อยบวชอันนี้หมดสิทธิ์แน่ ไม่มีทางได้บวชหรอกเพราะฉะนั้นวันนั้นอะเหมาะที่สุดที่จะบวชได้วันอื่นไม่มีโอกาสบวชอีกแล้วก็เลยให้บวชเพราะให้บวชก็ก็คิดถึงแต่นางสากิยานีคือที่ดาของเจ้าสักยะชนบทกาลยานีคือว่านางงามประจําชนบทนะกาลยานีก็แปลว่างามชนบทก็ชนบทนะแปลว่าหญิงผู้มีความงามในชนบทผู้เลอโฉมด้วยรูปคือเว้นโทษในร่างกายหกอย่าง ประกอบด้วยความงาม5อย่างก็คือโทษที่กำจัดออกไปไม่มีในสรีระของนางก็คือไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดํานักไม่ขาวนักงามกว่ามนุษย์หมายคือว่ารูปสวยกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่งามเท่าเทวดาเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเว้นจากโทษในร่างกาย6ประการในร่างกายของนางเนี่ยมีความงามในตัวอีก5อย่างคือผิวงามเนื้องามเล็บงาม หรือบางท่านบอกบางแห่งว่าผมงามกระดูกงามแล้วก็วัยงามตามลำดับก่อนว่าผิวงามนี่เป็นอย่างไรผิวนี้ย่อมทำความสว่างในที่ประมาณ12สอศอกด้วยแสงสว่างจากสรีระของตนมีผิวเสมอด้วยดอกประยงหรือเสมอด้วยทองคำชื่อว่านางผู้มีผิวงามผิวนี้